อนาปฏิวนันภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ416 1. ภิกษุผู้ยังไม่ถูกสวดสมนภาพ 2. ภิกษุผู้ยอมสละ 3. ภิกษุวิกลจริต 4. ภิกษุผู้มีจิตฟุ้งซ่าน 5. ภิกษุผู้กระสับกระสายเพราะเวทนา 6. ภิกษุต้นบัญญัติสังฆเภทศิกขาบทที่10จบ